เราก็นั่งปฏิัติธรมกันหลังจากเรานอนกันมาทั้งคืนพักผ่อนเราทำวัดเช้าก็เป็นความป่องใสแจส่มใสก็ตื่นและตื่นตัวสติดูกายกายก็ตื่นสติดูจิตดูใจจิตมก็ตื่น ไปดูอยู่โดยสติโดยปัญญาโดยสติประฐามันก็เป็นหน้าที่ที่เราจะดำรงชีวิตแต่ละขณะแต่ละขณะใบกตาสี่ันห้านิ่มือใเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเป็นอุปกรณ์ทำกิจวัตรประจำวันหน้าที่ จเห็นว่ามันเป็นเรื่องของละเชื่วทำดีชาระจิตมันเป็นเส้นทางเป็นเป้าหมายไปสู่พระนิพพานสมายถึงว่าเป็นปกติเื่นปกติซ้ำๆๆๆมีความไม่ถูกซ้ำๆๆๆมันก็เป็นมาตรฐานของชีวิต เสมอต้นเสมอปลายสม่ำเสมอปฏิบัติสมควรแล้วตรงแล้วดีแล้วออกจากทุกข์แล้วก็เป็นพระสงฆ์จะเป็นญาติโยมฆระวาต่างๆก็เป็นพระอริยะบุคคลเป้าหมายเดียวกันเราฝึกหัดพันความรู้เนื้อรู้ตัวของเรา ให้สติสัญญาทะยานเจริญเติบโตว่องไวเป็นสติปัฏฐานมันก็จะเห็นโลกไม่หลงโลกเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นจิตเห็นใจตามความเป็นจริงจนกว้างขวางออกไปเป็นสิ่งเดียวกันอเนกนั้นก็คือเห็นรูปธรรมนามธรรมเห็นรูปธรรมรูปมันธรรม นามาทำเป็นสมมุติต่างๆมากมายเราก็แสดงออกมีคุณธรรมหลายๆอย่างเป็นส่วนประกอบขึ้นมาในชีวิตถึงเวลาจะทนก็ต้องทนถึงเวลาจะช้าก็ช้าถึงเวลาจะไวก็ไวถึงเวลาจะผ่านก็ผ่านทั้งเวลาจะรู้ก็รู้ถึงเวลาจะดูก็ดูถึงเวลาจะไม่ดูก็ไม่ดู ล้กลับมากลับมาการนั่งการเดินการยืนการนอนการกินการ ก, ก, กับถ่ายหายใจเท้าหายใจออ ก, กวิปตาต่างๆมันก็เป็นธรรมชาติจะคิดจะนึกจะปรุงจะแต่งมันก็เป็นตัวธรรมชาติเราก็ใช้ไป ธุระเหนื่อยก็พักธุระป่วยก็ใช้สิทธิ์อ้างได้ก็ไม่สบายเรื่องได้ไม่สบายก็ช่วยโอกาสพักเมื่อเลยเป็นเรื่องของความสะดวกธุละต้องทำมันก็จะเป็นต้องทําไม่มีใครทาก็เป็นความขยันขึ้นมาแปลกแย่ขึ้นมา อาจจะกลายเป็นมีระ บ, บุรุษก็ได้มันถึงเวลานั้นเป็นอาสวินขี่ม้าขาวเพราะไม่มีใครทําไม่มีใครคิดไม่มีใครพูดไม่มีใครแสดงออกในการแสดงออกขึ้นมามีพลังขึ้นมามากลายเป็นลันธะนําได้นําตัวเองได้นำคนอื่นได้มันซ่อนอยู่ในการปฏิบัติธรรมนี่แหละเราเดินจงกรมง่วง เราเคลื่อนไหวไม้เคลื่นไ ห, ไหวมือง่วงเกินไปบางทีเราเจตนาคิดเงี้ยมันง่วงเกินมาก็ลองสังเกตเวลาเราเจตนาคิดอะไรสักอย่างมันง่วงนะมอบงานในสกินชิ้นหนึ่งไม่ใช่ว่าชอบไม่ชอบนะเรียนหนังสืออ่หานหนังสือวิชาเลือกเนี่ยสบายแต่วิชาบางครับเนี่ยรู้สึกแหมมันไม่อยากเรียน ฟังครัวง่วงแล้วให้ทําการบ้านอ่านหนังสือจะสอบกัง่วงแล้วเวลาบังคับให้ทําอะไรกฎหมายนะง่วงแล้วเวลาจะทําตามกฎหมายกฎระเบียบนี่ยอึดอัดแล้วแต่พอทําตามใจนะ้วีดไว้กระตู้หูไปเลยมันก็จึงเป็นเรื่องต้องฝึกต้องหัดกันให้เป็นเรื่องของการบังคับตน หม่ๆก็เป็นการบังคับนั่นเรียว่ากรรมฐ า, านนะกรรมฐ า, า น, นก็คือที่ตั้งของการการะทาต<ม>ิดเคยไหลไปกับปัญหาต่างๆ<ม>ความประทับใจไม่ประทับใจรอยชอบรอยไม่ชอบรอยได้รอยเสียรอยสุขลอยทุกข์มันเป็นรอ ย, ยทุกคนก็มีปมได้อย อย่างบางคนเนี่ยเราฟังแล้วก็น่าขันนะค ว, ว่านาขันก็คือถ้าไม่ได้หมายถึงว่าเราคิดพิจารณาเป็นตัวธรรมะยุคนี้มันยุกที่เทร น, เ, นเกาหลีเทรนหรือว่าคนที่จะดูหล่อดูสวยเนี่ยหน้าตรงยาวไม่ใช่น่าคมเหมัอนสมัยก่อนหน้าอิ่มหรูลราหนุงมสูงโปร่ง เด็กวัยรุ่นบางคนเนะเห็นว่าเกิดมาเหมือนพ่อเหมือนแม่มีปมด้อยมากพ่อก็เตีย้ยแม่ก็เตีย้ยนีหน้ากระกลมบล็อกเลยเมื่อทีมีปัญหาเรื่องความสูงเมื่อทีมีปัญหาเรื่องหน้ายาวหน้ากลมเวลาถ่ายรูปเนี่ยถ้าคนหน้ากลมก็กลัวไม่หลอนะอ๋อรูปเอวา ไ, วไมดีก็จะต้องทำคางยื่นๆหนนะ่อย นักดูคนน่ากลมตา้งค้างยืด น, นําเหมือนอะไรคอมก็หายเนาะนะก็ถ่ายรูปมาเพื่อเขาหล่อนะเคยเจอแล้วเสร็จแล้วพอเขามาบวชมาปฏิบัติก็กขำตัวเองนั่นแหลนะะไม่ใช่คนอื่นขำรรเขาพอมานั่งพูดนั่งคุยนโน้มันคิดได้ยังไงประเนความคิดเนี่ยมันเป็นตัวเดียวบางทีมันยึดเอานะภาพที่เราฝันเอาไวนะ้ความคิดที่เราวาด ฝันนะะมันกลายไปว่าต้องทำตามความคิดอย่างเงี้ยบางอย่างมันก็ไม่ถูกนะบางอย่างก็เป็นความถูกต้องแต่ว่านะี่ยมันก็ไม่อยากจะทำนะพอไปทำเราก็เห็นเลยนะแค่เลื่อนไม้เลื่อนมือนะเดินจงกลมนะบางทีมันเป็นกรอบบังคับเรามันเป็นกฎมันเป็นกาหนดนะมันเป็นการเจตนารู้ลงไป ในการเคลื่อนการไหวมันถอนหายใจฟืดเลยนะหรือแม้กระทั่งเนี่ยทําวัดสวดมนั่เนี่ยมันเป็นกรอบบงังคับของชุมชนอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยมานานแล้วแต่ า, างคนบอกไม่เอาเนะชา้ชาเช้าตื่นไม่ได้ไม่ไหวนะตื่นมาทําไมนะสมัยวิริยาการไม่มีการทําวัดสวดมนั่อ่ะรู้อีกอย่าเงี่ยนะเพราะฉะนั้นมันเป็นลักษณะของการที่เราได้เหมือนกับว่า จะมาฝึกตนสอนตนกันกลมกลื่อนธรรมชาติต่างๆสัตว์สั้าสิ่งต้นไม้ใบหญ้าสายลมแสงแดดแล้วก็กลมกลื่อนก็ะหมายถึงว่ามีปัญญานะั่นแหละกลมกลืนเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเห็นโลกตามความเป็นจริงนะเกี่ยวข้องกับโลกนี้หน้าที่ต่างๆนั่งเดินยืยนนอนกับกายกับใจของเราลูกตามลำธารถูกต้อง มันก็จะผ่านเป็นตัวปัญญาทันทีไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นมาจากผมด้อยกลายเป็นปมเด่นขึ้นมามันไม่ใช่ผมด้อยแลย้วจะต้องทุกข์ทุกคนก็มีผมด้อยทุกคนนั่นแหละต้องกลับมาดูตัวเองจริงๆทุกคนก็มีคู่อาฆาตพยาบาทจองเวรคนที่พอใจเราไม่พอใจเราศัตรูกลัวริเนะีนะ่ยเราก็จะได้แสดงกุณธรรมออกมา บางทีจะต้องทนบางทีก็จะต้องมีความเพียรบางทีจะต้องมีเมตตากรุณาเมตตาเวขานะต้องให้่ภัยกันนะมันก็ต้องฝึกต้องหัดกันพอสมควรทีเดียวนะบางทีปวดร่างปวดเอวอะไรเงี้ยนะบางทีก็หิวข้าวนะเพราะเราเคยทานข้าวเย็นกันมามาอยู่ที่นี่ยเราก็ไม่ได้ทานไม่ได้ฉันกันอย่านงะนะมันก็แสดงอาการต่างๆปันป่วนไปหมดนะบางทีเราก็ ไม่คุ้นจินนะการนัง่งการเดินการยืนการนอนกับสานที่สูงสู ง, สงต่ำต่ำถนนหนทางที่ไม่ใช่คอนกรีตแล้วว่ายามตอยอย่างไงมันก็จะรู้สึกจะต้องปรับเนื้อปรับตัวนะอันนี้ละครของดีนะวเวลาแสดงอาการขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมานะเราจะได้เห็นมันจนบอกได้ว่าอ๋ออันอ้อยตาหวันนั้นพระพัน์พื่อีอย่านันะ ไม่มีเจิดไม่มีหมดในรถหวานนะอันพูดดีแม่ล้มลุกจนคุกคานนะก็ยังอ่านออกรู้ว่าพูดดนะีเราก็รู้ว่า อ, อันนี้เป็นสมบัติของผู้ดนะีอันนี้เป็นะกะิริยามารยาทของผู้ดีออันนี้เป็นลักษณะาการของผ่านชนอนะอันนี้เป็นลนักษณะของนะความเสื่อมอนะอันนี้เป็นอารมณนะ์เป็นลักษณะที่แสดงออกถึงความเจริญนะมันก็เลยเลือกได้ ที่เราเลือกได้เพราะว่าเราเข้ามาดูตัวเองเห็นอาการต่างๆ ต, ต่างความเป็นจริงมากมายเหลือเกินฝ่ายรู้รู้สึกเนี่มพาไปไหนอาการอะไรที่มแสดงออกมาฝ่หลงเนี่ยมันจะมีปฏิยาอาการอะไรที่แสดงออกมาเราก็รู้แล้วอ๋อมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยมันก็เข้ามาดูทํางานวิจัยสักทีหนึ่ง ก็จะเห็นรายละเอียดต่างๆของงานที่เราทําเหมือนก็เข้าไปห้างสรสินค้าอ๋อไอ้นิ่มวางอยู่ตรงนี้นะเครื่องมือก่อสร้างวัสดุก่อสร้างอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้หมวดอาหารอยู่ตรงนี้อ๋อตรงนี้เป็นเครื่องใช้ไม่สวยอย่างเงี้ยเครื่องอุโปโภคบริโภคต่างๆอยู่ตรงไหนเราเห็นทุกซอกทุกมุมก็เหมือนชีวิตของเราการที่เรามาปฏิบัติธรรมนะ จเจริญวิปัสนากรรมฐานนะมันก็กลับมาดูกายดูใจเนี่ยละจะเห็นนาการของกายของจิตของใจเราอาการต่างๆที่แสดงออกมาเป็นกฎของธรรมชาติเป็นกฎของกรรมกรรมดีก็แสดงออกมาในทางที่ดีเหตุเคยทําดีมาก่อนผลมันก็แสดงความดีออกมาอย่างเงี้ยนีมันก็รู้อันนี้ความไม่ดีเพราะาเหตุเคยทําไม่ดีม า, ามันก็คิดออกมา บางทีก็มีความสําเร็จที่ก็มีความไม่สําเร็จบางทีคนอื่นก็ทํากับเราแต่เราก็จะไม่มีคําถามว่าทําไมทําไมทําไมทําไมต้องเกิดขึ้นทําไมต้องเป็นเราทําไมต้องเป็นกูทําไมจะเป็นอย่างนั้นทําไมไม่มีคำว่าทําไมมทำเวลาเออกลับมารู้สึกกลับมาสัมผัสการเกิดการไหวมันก็ตัดให้เราความคิดคิดต่อไม่ได้ขนาดฝันมันยังตัดให้เลยโยมฝันไม่รู้เรื่องเลย พอมันเสี ย, ยสูนย์เฉยศูนยะ์ผิดไปปกติไป น, นิดเดียวนะมันก็ตัดชั่วให้ทันทีนะมันเป็ น, นันาของนะการตัดที่เราไม่ต้องร้องขอตอนนอนอยู่นะแต่สติที่เราฝึกมาทั้งวันนะมันก็ทำงานเป็ น, นกลไกของธรรมาชาตนะิเป็นกฎของกรรมาฐานมันรู้แล้วมันหลงกต้องกลับมาเป็นนะก็เียปฏิบัติรมขณะตื่นขณะหลับมันก็ปฏิบัติของมันอยู่ แต่ว่าตอนหลับเราไม่ได้มีเจตนาจะต้องมารู้นะการเคลื่อนไหวในรูปแบบนั่นเองแต่ว่าก่อนนอนมันก็เป็นรูปแบบการนอนมีสติรู้อยู่กับร่างกา ย, อยของเราที่มันนอนอย่างงี้นะพอมันนอนมารู้สึกหลังก็ะทบพื้นเป็นความรู้สึกหรือว่าบางทนะีลมหายใจที่เคลื่อนไหวอยู่ท้องพองยุบเงี้ยเราก็รู้สึกเพราะฉะนั้นถ้ามีฝีมือในการนอนหลับ พับนอนปั๊บมันก็จะหลับทันทีนั่นแหละนะไม่ต้องรอเวลาไม่ต้องนับหนึ่งถึงสิบนับหนึ่งถึงร้อยไม่ต้องนับแกะกระโดดนะบางทีหมอจิตวิยาบอกว่านอนไม่หลับเนะี่ยนับนะจิตนตนาการว่าแกกาลังกระโดดข้ามคอนไม้ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่เดี๋ยวจะได้หลับนเพราะจิตเป็นสมาธิอย่างนี้ยน อันนี้ไม่ต้องเราก็รู้สึกตามความเป็นจริงนี่นแหละทองพองยุบอยู่ลหมหายใจกระทบเบาๆผ่อนๆคลายเราก็หลับด้วยสติอย่างเงี้ยมันดูไกลยอยู่ว่าจิตมันฝันนั่นน่ะได้เรื่องตัดเชื้อตัดเชื่อตัดเชื่อให้เราเลยไม่ต้องพูดว่าเวลาเราปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยมันตัดความคิดยังไงก็เราเจตนารู้สึกเราเคลื่อนไหวอยู่อย่างเงี้ยพราะฉะนั้นเวลามันคิดเกิดขึ้นมันคนละตัวกัน เราไม่ได้ห้ามเทคนิคลงผู้เตือนเนี่ยไม่ได้ห้ามความคิดนะแต่ว่านะความคิดที่เกิดขึ้นมานะเราไม่สนใจใส่ใจมันนะกลับมารู้นะกรรมฐานที่เรากําลังผลิตอยู่รู้สึกตัวอยู่อาจะเกาะอยู่กับลมหายใจนะหรือว่าการเคลื่อนการไหวเป็นสมถะไปก่อนพอมันเริ่มเป็นวิปัสสนาเราก็จะรู้การเคลื่อนการไหวนะดูการเคลื่อนการไหวมันก็รู้ความคิดแล้วก็เห็นความคิดอย่างนั้น มันจึงเป็นหมวดหมวดลักษณะของอารมณ์ต่างๆอาการต่างๆร่างกายของเราก็พาไปการเคลื่อนกันไหวของกายเป็นความสะดวกถึเวลาเร็วก็เร็วเวลาช้าก็ช้าเวลาหยุดก็หยุดถึเวลาแซงก็แซงถเวลาเบรกก็เบร ก, กมันก็ถึงจุดหมายปลายทางอย่างเงี้ยบางทีเจอความง่วงจะทําทยัางไงจะเบรกหรือจะแซง บางทีต้องแซงนะเจอความง่วงเนะี่ยไปช้าไม่ได้รีรีรอๆไม่ได้ไปจ่อท้ายมันก็ไม่ได้เดี๋ยวมันคลุมเอาเวลาปฏิบัติเราต้องทําแรงๆเคลื่อนไหวแรงๆกระทบสัมผัสแรงๆบางทีมันเจตนาทําอะไรซ้ําๆจิตไม่ชอบการทําอะไรซ้ําๆมันขี้เบือ่อมันตกผวาบางทีมก็หลบเลยไปแช่พักอยู่กระตัว ง, ง่วงก็ยกมือไม่ขึ้นเนีย เราก็แซงไปเลยกระแทกแรงๆลงไปเดินจมกรมแรงๆลงไปให้มันผ่านๆตื่นตัวนะจนกระทั่งเหมือนกับว่าเออแม่เมื่อกี้มันอยู่ข้างหลังเวลาความง่วงอันนี้ก็คือความรู้สึกตัวที่มอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าตลอดเวลาเวลาการเคลื่อนการไหวของกายก็ต้อสัมผัสเป็นปัจจุบันกันนะเนี่ยนะมันจึงเป็นเรื่องที่เราเกิดความสนุกสนานขึ้นมา ไปสนุกสนานเนี่ยมันเคยสนุกสนานกับกันที่ได้รสชาติทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราแต่นี่ไม่เป็นลักษณะของสนุกสนานกับการเดินทางที่มันเห็นล่องเห็นรอยเป็นตัวชีวิตจริงๆของเราแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ทิ้งมันไปแล้วนะก็คือตายน่าเข้าลงนะเผาางี้ดินสู่ดินน้ำสู่น้ำลมสู่ลมไฟสู่ไฟนะแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้หายไปไหนนะ มันยังเรียกว่าอามาเรียนรู้ได้ยังไม่ได้แยกกันระหว่างจิตไปทางหนึ่งร่างกายไปทางเหมือนนอายอเภอเมื่อวันไดเผานายอำเภอก็ทิ้งแต่ลองรอยความดีไว้ให้เราได้ระลึกถึงเมื่อวานเห็นภาพหลวงพ่ออมเขียนนท่านแสดงออกกับคนดีแล้วขนาดที่ว่าก็มีพระจํานวนมากอ่ะนะท่นนี้เวลาเออ ก็ให้หลวงพ่อไปเป็นลักษณะของชักภาพบางสกุลนะแล้วก็เป็นองค์สําคัญสําคัญก็คือผู้ว่าถวายแล้วก็ให้หลวงพ่อเขียนผู้ชักภาพบางสกุลเงี้ยแล้วก็สังเกตว่าเออหลวงพ่อตั้งใจสงสินไปขึ้นไปแทนหลวงพ่อเองตัวธรรมาเองก็มีความรู้ว่างานแบบนี้หลวงพ่อต้องไปถึงจะมีสมมุติเหนือสมมติยังไงก็ตาม แต่ว่าลักษณะนี้หลวงพ่อก็ไม่ได้ป่วยไม่ได้ไขนะ้แล้วหลวงพ่อไปไหนมาไหนเดินได้อยู่เดินขึ้นบันไดก็ได้อยู่ให้เดินขึ้นไปว่าเป็นงานสําคัญคนเยอะเงี้ยให้แสดงตัวเนะจอ ก, ก็เห็นหลวงพ่อนะตอนที่วางดอกไม้จันทรอีกครั้งหนึ่งนะก็เดินตามหลังไปรู้ไหมหลวงพ่อทําไงกับศพศพมันอยู่ในโรงนะจะไปเคาะโงรูปลงก็ มันก็ไกลอะแต่รูปมันตั้งใกล้กว่ารูปไทายของนแอเปอร์หลวงพ่อมือเป็นรูปรูปรูปรูปรูปรูปที่เป็นรูปของศพอะคนตายคนก็จะนวนเยอะแระก็เยอะนะสักประมาณห0 0ยถึง700นั่นแหละคนหลวงพ่อมือเป็นรูปไม่เคยเห็นนะภาพเนี้ยมือเป็นรูปรูปคนดีแสดงออก กํานันนํางินงก็บวชได้เป็นการแสดงออกถึงคนดีมีน้ําใจแล้วก็มีผลประโยชน์ต่อกันก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ครูบาอาจารย์แสดงออกเนี่ยนะทางกายวาจาใจแสดงออกถึงภายในที่ไม่ใช่วางเฉยทๆแล้วน่กเกลือปฏิบัติธรรมแล้วคนก็เฉยๆทือๆ่อๆอุเบกขาไม่มีการแสดงออกทางกายวาจาใจเอามามองดูแล้วไม่ใช่ เพราะอะไรว่ามันคือหน้าที่ที่เป็นการแสดงออกสมมุติของคนดีละชั่วกะละจริงๆทําดีก็ทําจริงๆนะละชั่วมีความสําเร็จจริงๆก็คือไม่ทํำชั่วทําดีก็ทําดีจริงๆมีความสําเร็จในการทําดีชํราระจิตก็มีความสําเร็ จ, จริงในการชาระจิตก็คือไม่ทุกข์นะเพราะว่าในโรคนี้มีนะอะไรมากมายเหลือเกินที่เป็นอาการนะเคลื่อนไหวอยู่ตลอดไว่รับเวลา เราก็อยู่ในโลกแล้วก็เห็นความจริงเป็นงานวิจัยเนะรียกว่าธรรมวิจัยะนะก็คือสอดส่องทำเห็นทำตามความเป็นจริงเนะกี่ยวข้องถูกต้องนะฮนะมันก็เลยเป็นเรื่องที่เราทุกคนเราก็ต้องหันกลับมาละนะจะนถึงท้ายสุดเกิดธรรมที่เกิดความไม่ประมาทขึ้นมานะเหมือนเมื่อกี้บทสวดเตี๋ยจันนมปาสวดนะก็คือมีสติปัฏฐาน ร, รู้รนะู้ะ ตัแต่เราเจตนานะเรียนรู้รับรู้ฝึกหัดนะจนทั้งถึงไม่ต้องเจตนาเกิดความเป็นเองขึ้นมาเหมือนคนหาเงินหาทองมนะันเ ง, งินอยู่ในกระเป๋าแล้วเนะี่ยมันจะต้องไปหาเงินหาทองอะไรอีกนะมันก็มีแต่ใช้แต่ถ้าใช้เป็นยิ่งใช้ยิ่งมีเท่านั้นเองถนะ้าใช้ไม่เป็นก็นสามล้อถูหวยนะยิ่งใช้ก็ยิ่งหมดไปนะใช้ไม่ถูกต้องไม่เกิดความเจริญขึ้นมาในชีวิตนะกับบุคคลอื่นอย่างเงี้ย น, นะ เราก็จึงในอเห็นแล้วเห็นแล้วในการกระทําของเรานะทางกายวาจาใจเป็นการแสดงออกที่เป็นกรรมฐานตลอดไปราเวลาคิดก็เป็นคิดแบบกรรมฐานก็คือคิดแบบความรู้สึกตัวพูดก็พูดเป็นแบบกรรมฐานก็คือพูดแบบความรู้สึกตัวทําอะไรก็ตามก็ทําเป็นแบบกรรมฐานนะมีความรู้สึกตัวแบบความรู้สึกตัวนะไม่ใช่แบบกรรมดีกรรมชัว่วจนกระทั่งเหมือนกับว่าทําดีไม่ได้ดีก็ทูกแล้วนะ ทำเชื่อได้ดีก็เออหัวเลาะจนกระทั่งเหมือนกับว่าหลงเหลืองะละเลงจนท้ายสุดก็คือพระเอกตายตอนจบอย่างเงี้ยนะมันก็จึงเป็นเรื่องที่ไม่เหลือวิสัยนะที่เราจะเรียนรู้ฝึกหัดจนกระทั่งมันเห็นทิศเห็นทางเห็นร่องเห็นรอยรอยรอยนี้เรียก ว, ว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางเราเคยสุดโต่งแล้วเวลาสุขล้วก็สุขเต็มที่เวลาทุกข์ เราก็ทุกเต็มที่แต่เวลานี้มันมีทางผ่านคือทางสายกลางความเป็นปกตินี่แหละความเป็นกลางของรียบทในการเคลื่อนไหวนี่แหละเป็นอารมณ์รูปนามแต่เราจะต้องฝึกหัดจนกระทั่งมันเหมือนกับว่ามันได้คำตอบขึ้นมามันเป็นอารมณ์วิปัสสนาอารมณ์รูปนามที่เรารู้รูปรูปนามก็คือมีสติเห็นโลกตามความเป็นจริง แล้วกเกี่ยวข้องกับโลกนี้ได้อย่างถูกต้องเหมือนขนาดเนี้ยได้ยินเสียงนะจิตหลก่อเนี่ยไปกับเสียงนะ เ, เสียงอะไรอีกอนนันเสียงแมวรู้อยู่เงี้ยสมมติมาแล้วนะเสียงแมวอเงี้ยแต่ว่าจิตของเรามันรู้เฉยๆนะมันรู้แล้วก็มีปกติอยู่เฉยๆบางคนฟังอาจจะตนณตกใจก็ได้ก็คือหูมันเป็นทวาลใช่ไหมคราวนี้สติ หรือวจิตของเราเนี่ยมันมีสติรู้ทางหูตะวันหูผัสสะมากระทบปั๊บเนี่ยมันทิ้งเลยไหมถ้ามันรู้แล้วทิ้งเลยมันก็ผ่านทันทีอะไรเงี้ยเพดันะนั้นทุกโจทย์เราสามารถที่จะมาฝึกหาดได้หมดเป็นปัจจุบันขณะต่อไป น, นะเพราะฉนั้นความราู้ึกตัวในแนวหลวงพ่อเทียนจิตเทวะเนี่ยที่นี่วัดป่าสุโตัวก็นําเสนอแบบนั้นท้ายให้ส่วนมาเราปฏิบัติท่านพูดถึงว่าน เรก็จะรู้นะรูปตุกนามทุกต่างๆรูปสมมุตินามสมมุติต่างๆนะรู้เรื่องของบุญของบาปเรื่องของกุศลอกุศนละเป็นเรื่องของุศาสนาเพราะฉะั้นตัวเราก็คือตัวศาสนาเราก็เห็นเหมือนกันนะในคำชี้คํานำต้องเป็นล่องเป็นรอยต่างๆนะที่เป็นรอยของคําพูดรอยสีรอยทำที่มีอยู่ที่ตัวเขาและตัวเรานะธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของคนทุกคน <c oughs> ที่เป็นชาวพุทธหรือไม่พุทธก็ตามที่ชาวเวอรหรือไม่เวอรก็ตามผู้หญิงหรือผู้ชายฐานะจะเป็นยังไงก็ตามลักษณะของคุณวุฒิไวยวุฒนะิก็ไม่เกี่ยวทั้งหมดมนะันไม่เกี่ยวว่าเราเห็นแล้วว่าชีวิตยมันประมาทไม่ได้นะเป็นเรื่องที่เราจะต้องทําพระนิพพานให้แจ้งนะมันจะแจ้งได้ยังไงนะมันก็ต้องรู้จักรู้จําก่อนการได้ยินได้ฟัง ประโยคใดประโยคหนึ่งน้อมเข้ามาปฏิบัติรู้จักรู้จําแล้วก็ทําลงไปมีการกระทํามีการปฏิบัติการพอจะเกิดผลขึ้นมาเป็นการรู้แจ้งรู้จริงในเรื่องของชีวิตเรื่องของทุกข์เห็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์เงี้ยอาการต่างๆการเคลื่อนการไหลต่างๆคือทุกข์เงี้ยเห็นจริงเห็นเหตุแห่งทุกข์เงี้ยเราก็มีตัณหาประทานก็ไปยึดอย่าเง เป็นความรู้สึกเป็นความปกติเป็นธรรมชาติซึ่งปัญญามันก็ตอผ่านตลอดเี้ยก้าผ่านล่วงได้นะอาข้าพุทธฟังตลอดเช้านี้เห็นว่าสมควรแก่เวลาเราก็กราบพาพร้อมกัน